พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเชาวพุทธมันชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนำความสุขมาอย่างยิ่งใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เวลาเราสวมใส่แล้วก็จะต้องมีการสกปรกมีความสกปรก เมื่อเราใส่เสื้อผ้าไปแล้วพอมันสกรปรกเราก็ต้องเอาไปซักเพื่อจะได้กำจัดสิ่งสกรปร ก, กที่มาติดอยู่กับผ้าเช่นพวกฝน <c oughs> พวกเหงื่อใครและอะไรต่างๆที่อาจจะมาทำให้เสื้อผ้าของเราเปิอะเปื่อนได้เราจึงต้องมีการ สักเสื้อผ้ากันอยู่เป็นประจำเพราะเรารู้ว่าการใส่เสื้อผ้าที่สกปรกกับการใส่เสื้อผ้าที่สะอาดนั้นมีความรู้สึกที่แตกต่างกันใส่เสื้อผ้าสกปรกแล้วมันไม่รู้สึกว่าไม่สะอาดอาบน้ำเสร็จน้ำจะไม่อยากใส่เสื้อผ้าที่สกปรกอยากจะใส่เสื้อผ้าที่สะอาด พอใส่เสื้อผ้าที่สะาแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขใจของเราก็เหมือนกันใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่จะถูกสิ่งสกครกต่างๆเข้ามาทำให้ไม่มีความสุขทำให้ใจไม่มีความสุขสิ่งที่ทำให้ใจไม่มีความสุขคืออะไรก็คือ ตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงและการกระทำบาปทั้งหลายนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเราไม่มีความสุขแล้วแทนที่เราจะมาสักพอกชำระจิตใจเพื่อให้เกิดความสุขเนื่องจากความโง่หรือความหลงของพวกเรา กับหลอกให้เราไปชำระไปหาความสุขด้วยการไปเพิ่มไปทำอะไรไปเพิ่มกิเลสตัณหาขึ้นมาเราไม่มีความสุขเราคิดว่าโอ๊ยถ้าเราได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่สักชุดหนึ่งซื้อรองเท้าใหม่สักคู่หนึ่งซื้อของใหม่ๆแปลกๆที่เราไม่มีสักอย่างหนึ่งหรือไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือไป ไปดูไปฟังอะไรต่างๆเราจะได้มีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวๆชั่วที่เราไปเที่ยวแล้วมันกลับทำให้ใจเรามีความทุกข์มากขึ้นเพราะเราใช้เงินทองไปเราก็ต้อง ทุกข์กับการหาเงินทองเพิ่มขึ้นนั่นเองเงินทองที่เรามีเราใช้ไปมันก็ต้องหมดพอหมดมันก็ต้องทำให้เราต้องไปหาใหม่การหาเงินทองมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ไม่มีใครอยากไปทำงานอย่างหรอกแต่ที่ต้องไปทาเพราะว่าต้องมีจะได้เงินมาเพื่อที่จะได้มา ซื้อความสุขต่างๆให้กับใจแต่มันกับกายเป็นการซื้อความทุกข์เพราะต้องไปทุกข์กับการทำงานทําการนี่คือความหลงเหมือนจะหลอกให้เราคิดว่าการทำให้ใจของเรามีความสุขก็คือทำตามความโลภทำความโกรธทำตามความหลงต่างๆ มันก็เป็นความสุขเดียวเดียวมันเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเวลาฮุบเหยื่อใหม่ๆก็ได้กินเหยื่อแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเบ็ดมาตะขอเบ็ดมาเกี่ยวปากปล่าไว้ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานมากยิ่งกว่าความสุข ที่ได้จากการรับประทานเหยื่อชิ้นเล็กๆที่ติดอยู่ปลายปลายเบ็ดนั่นเองนี่ไม่ใช่เป็นวิธีทำใจของเราให้มีความสุขพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้วิธีที่ทำใจของเราให้ความให้มีความสุขก็คือเราต้องคอยมาชำระความโลภความโกรธความหลง ไม่ใช่ทำตามความโลภความโกรธความหลงการทำตามความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนกับการเอาสิ่งสกปรกเข้ามาในใจเราให้มีเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเป็นเสื้อผ้าก็เอาสิ่งสกปรกมาติดเสื้อผ้าให้มากขึ้นไม่ได้เป็นการชำระสิ่งสกปรกให้ออกจากเสื้อผ้าหรือออกจากใจของโลกเรา เราต้องหมั่นชำระความโลภความโกรธความหลง เ, ออเพราะว่ามันจะทำให้ใจของเราสะอาดขึ้นเมื่อความโลภความโกรธความหลงน้อยลงออความรู้สึกไม่สบายใจก็จะน้อยลงไปความรู้สึกสุขใจก็จะเพิ่มขึ้นมาเองเออเออนี่แหละพระพุทธเจ้าก็เคย หาความสุขแบบที่พวกเราหากันท่านเป็นเจ้าชายเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติมากมายมีประสาทสามฤดูไว้สําหรับหาความสุขฤ ด, ดูหนาวก็ไปมีประสาทที่จะทําให้ไม่หนาวฤ ด, ดูฝนก็กมีปราสาทที่จะหลบฝนได้ วิอ่ฤดูร้อนก็มีปราสาทที่ทําให้ไม่ร้อนอคือไปตั้งอยู่ในที่ต่างๆเหมือนคนสมัยนี้คนรวยสมัยนี้อย่างชาวต่างชาติเวลาประเทศเข้าหนาวเขาก็บินมาทางประเทศเราซื้อคอนโดทิ้งไว้ซื้อบ้านทิ้งไว้เขาก็บินมาอยู่เวลาหนาวจัดๆเขาก็มาอยู่ประเทศที่ไม่หนาวเอ พระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นมีประสาทสามฤดูเวลาอยู่ที่ตรงนี้หนาวก็ย้ายไปที่อีกที่หนึ่งที่ไม่หนาวพอที่ตรงนั้นมีฝนก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งที่ไม่มีฝนพอไปต่ออีกที่หนึ่งมันร้อนก็ย้ายไปที่ที่ไม่ร้อนได้การมีทรัพย์มีสมบัติเข้าของเงินทองก็จะหลอกให้เรา หาความสุขแบบปลอมได้เพราะว่าเราเรา mm. เราก็คิดว่านี่คือวิธีหาความสุขให้กับเราแต่การหาความสุขแบบนี้มันก็หาหาหาได้ในช่วงที่ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงอต่ต่อไปเวลาร่างกายเราแก่เราเจ็บนี่เราจะตายนี่ เราจะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้หาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากการดูมห์ลสุบบันเทิงหาความสุขจากการไปเที่ยวสถานที่ต่างๆอันนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอน เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเรียกว่าเป็นความสุขชั่วคราวพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเห็นอนาคตของร่างกายของพระองค์ว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายทรงเห็นว่าสมบัติต่างๆที่พระองค์ทรงมีอยู่นั้นจะไม่สามารถทาให้ท่านมีความสุขได้เพอาใจของท่านนั้นจะทุกข์อยู่กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บ เ่าความตายพระองค์ก็เลยเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่มาหาความสุขด้วยการชำระใจด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงจนในที่สุดก็สามารถชำระใจของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาได้ร้อยเปร์เซนต์ไม่มี ความทุกข์ต่างๆเข้ามาภายในใจอีกต่อไปเพราะได้ทรงกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความไม่สบายใจของใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรใจของพระองค์จึงเป็นใจที่บริสุทธิ์ตลอดเวลานี่แหละความบริสุทธิ์ของใจ นำความสุขมาอย่างยิ่งเพราะความบริสุทธิ์ของใจก็คือพระนิพพานนี่เองใจที่สะอาดบริบสุทธิ์นี้เราเรียกว่านิพพานใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงใจที่สิ้นกิเลสผู้ที่สิ้นกิเลสก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาบโลกทั้งหลายท่านจะเรียกตัวท่านว่าเป็นพระอาหารหันต พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกก็เป็นพระอาหารหันตะสาวกเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันต่างกันตรงที่พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ค้นพบวิธีชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถ ชำระใจให้สะอาดได้ด้วยตนเองเพราะไม่มีใครมีปัญญาระดับของพระพุทธเจ้าที่จะรู้ว่าความสุขของใจที่แท้จริงอยู่ที่การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทุกคนในโลกนี้คิดว่าการจะมีความสุขก็คือการมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงเกิดความโลภอยากได้ ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสพอได้มาก็เกิดความโกรธเวลาที่เกิดการสูญเสียเกิดการแย่งชิงกันพอเวลาใครมาลักของของเราไปเราก็จะโกรธขึ้นมาล้วก็เราก็จะหลงคิดว่ามันจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอด แต่เดี๋ยวมันก็หายไปได้หรือมันหมดไปได้หรือเวลาเราแก่เราก็จะไม่สามารถใช้มันให้ความสุขกับเราได้การหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นการเพิ่มความโลภความโกรธความหลงให้มีอยู่ในใจให้มากขึ้น แทนที่จะเกิดความสุขใจมากขึ้นกับเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจมากขึ้นเพราะเมื่อมีแล้วก็จะรักจะห่วงจะห่วงเวลาใครมาแย่งไปก็จะโกรธจะเสียใจจะไม่สบายใจเวลามีก็จะคอยวิตกกังวลบางทีไม่อยากไปไหน กลัวทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะหายไปต้องคอยอยู่เฝ้าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์กับการหาแล้วก็มาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็มาทุกข์กับการสูญเสียได้มามากไม่น้อยเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย พระพุเจ้าทรงเห็นอย่างชัดเจนว่าการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้เป็นวิธีชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่กลับทำให้ใจมีความสกรปรกเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อได้อะไรมาแล้วมันมักจะได้มันมักจะโลภมากขึ้นไปได้คืบก็อยากจะได้สอกนได้ศอกก็อยากจะได้วา เป็นในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยเป็นในร้อยก็อยากจะเป็นในพันในพลเป็นในพลก็อยากจะเป็นนายกมันอยากไปเรื่อยๆเป็นนายกแล้วก็อยากจะเป็นหลายๆรอบมันไม่มีวันหยุดนี่คือปัญหาของการที่เราไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันจะทำให้เราตะเกียกตะกาย อยากอยู่เรื่อยๆแล้วพอเกิดอุปสรรคขึ้นมาก็ทำให้ไม่สบายใจกว่าจะได้เป็นนายกรอบนี้เหนื่อยแม่นั่งรอกันนั่งลุ้นกันนั่งอะไรกันเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวพอได้มาปั๊บก็ถูกเขาด่าเขาว่านะป่สภาบนรก็อภิปรายไม่ไว้วังใจนะกุดกุย ความเลวทั้งหลายที่ได้เคยทำเอาไว้ขึ้นมาประจานกันนี่แหละคือความสุขจากการได้ราบได้ยศได้สรรเสริญมันไม่ได้เป็นความสุขเลยแต่ความหลงมันทำให้เห็นว่าเป็นความสุขทั้งๆ ท, ท, ที่เจอแต่ความทุกข์แทบตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ก็คิดว่ามันเป็นความสุขกัน ก็ยอมทนทนกับความทุกข์สารพัด ส, สารเพออนนี้เป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่มีเวลามานั่งคิดไตรกองมาเปรียบเทียบไม่มีไม่เคยเห็นความสุขอีกแบบหนึง่งไม่เคยเห็นความสุขที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธ ว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องวุ่นวายกับการแสวงหาเป็นความสุขที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องไปขอจากใครไม่ต้องไปยุ่งกับใครนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งได้ทรงค้นพบ ท่านจึงเรียกพระองค์ว่าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ค้นพบวิธีสร้างความสุขให้กับใจด้วยการชำระใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเท่านั้นเองถ้าความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นไปแล้วใจจะสะอาดบริสุทธิ์เต็มที่ แล้วก็จะได้รับความสุขเต็มที่ได้รับบรลมะสุขเกิดได้ปัณิบานังปรมังสุขขังความสุขของพัณิพานเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุขปัณิพานก็คือใจที่สิ้นกิเลสนี่เองผู้ที่สิ้นกิเลสด้วยตนเองเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสิ้นกิเลส ได้ส่งค้นพบใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ท่งนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ไม่รู้อย่างพวกเราใครได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามคาสอนนอกจากบอกให้เราชำระใจแล้วยังบอกวิธีหรือเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการชำระใจด้วย พอทรงบอกวิธีคนที่ได้ยินได้ฟังก็เอาวิธีนั้นไปปฏิบัติพอปฏิบัติไม่นานใจก็สะอาดบริสุทธิ์ได้ในสมัยพุทธการสมัยที่พุทธเจ้าทรงประกาศธรรมนี้มีพระอาหารหันต์สาวกเป็นจํานวนมากเพราะว่าสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วพระองค์ทรงตัดว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจดเดือน ไม่เจเดือนก็ไม่เกิน7ปีใจจะต้องสะอาดบริสุทอย่างแน่นอนถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนปริญญาตรีการชำระใจนี้รู้สึกจะใช้เวลาสั้นกว่าเสียได้ซ้ําไปเรียนเรียนก่อนจะได้ปริญญาตรีนี่ต้องเรียนต้อง16บหกปีเรียน12ปีในชั้นปถมมัธยมแล้วก็ต้องมาต่ออีกสปีในระดับอุดมศึกษา ถึงจะได้ปริญญาตีแต่ละการชำระใจให้สะอาดบ่อยสุดนี้พระองค์บอกว่าถ้าเก่งก็เจวันก็ได้ถ้าเก่งน้อยหน่อยก็7เดือนถ้าเก่งน้อยกว่านั้นก็7ปีนักเรียน4ี่จุดก็เจวันนักเรียนสมจุดก็7เดือนนักเรียนสองจุดก็7ปีถ้าต่ำกว่าสองก็ อาจจะเจ็ดชาติรอบไปช้าหน่อยแต่ก็ยังบรรลุอย่างน้อยก็ได้เป็นโสดาบันถ้าไม่สอบตกถ้าถ้าไม่ต่ำกว่าหนึ่งถ้าต่ำกว่าหนึ่งนี่ก็จะไม่ได้อะไระะนี่คือพระพุทธเจ้าทรงรับประกันว่าถ้าได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนได้ทรงปฏิบัติมา รับรองได้ว่าไม่นานใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ได้ผู้ที่ได้เรียนจากพระพุทธเจ้าหรือได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พอใจสะอาดบริสุทธิ์ก็เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระอาหารหันตตัปพุธสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ตัดสาวก สาวกนี้คือผู้ติดตามผู้ผู้ศึกษาคำว่าสาวกนี้เป็นภาษาบาลีแปบลบว่าผู้ฟังผู้ต้องฟังจากพระพุทธเจ้าถึงจะได้รู้จากวิธีชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอได้รู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราที่ยังไม่รู้นี้ให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็น ผู้สั่งสอนเป็นครูเป็นอาจารย์การที่ท่านบอกให้เรามีสาระในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้คำว่าสาระนี้ก็คือที่พึ่งทางการศึกษาที่พึ่งถึงทางการการหาความรู้ความรู้นี้เราต้องพึ่งครูบาอาจารย์เราไปโรงเรียนนี้เราไปหาอะไรเราไปหาความรู้ แล้วในห้องเรียนเรามีใครมาให้ความรู้กับเราเราก็มีครูมีอาจารย์มาให้ความรู้ถ้าไปโรงเรียนแล้วไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่มีใครจะมาสอนให้ความรู้กับเรามีโรงเรียนมีมีโรงเรียนมีห้องเรียนมีโต๊ะเรียนมีเก้าอี้นั่งไปนั่งแล้วเฉยๆความรู้ไม่เกิดความรู้มันจะเกิดก็ต่อเมื่อมีครูมีอาจารย์ มาคอยสอนตั้งแต่กอไก่ขอไข่นับหนึ่สไปต้องมีครูมีอาจารย์มาสอนเราถึงจะเขียนอ่านออกเขียนได้อ่านกอไก่ขอไข่ได้เขียนตัวเลขได้บวกลบคูณหารได้ความรู้เหล่านี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสุขทางใจความรู้เกี่ยวกับการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็ต้องมีครูมีอาจารย์มาสอนเราไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะรู้ขึ้นมาเองเพียงแต่เรามาวัดแล้วพอถึงวัดแล้วเราก็จะได้ความรู้มันไม่ได้การไปวัดนี่ความจริงไปเพื่อไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปหาความรู้ไปโรงเรียนอสมัยนี้ชาวพุทธเราเข้าใจผิดกันเราคิดว่าเราไปวัดเพื่อไปหาพระพุทธรูป ก, กัน ไปโบสแล้วก็ไปจุดธูปเทียนแล้วก็กราบไหว้แล้วก็ขอสิ่งต่างๆที่เราอยากได้จากพระพุทธรูปอยากริ่มอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งอยากแขวคาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บจากอะไรสารพัด ส, สารเพอันนี้ไม่ได้เป็นการเข้าหา พระรัตนตรัยถึงแม้จะกราบพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นเหมือนกับรูปถ่ายของพระพุทธเจ้าอไม่ใช่ตัวจริงของพระพุทธเจ้าเข้าหาพระพุทธรูปจะไม่ได้ความรู้จากพระพุทธเจ้าสมัยนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าตอนนี้ไปอยู่ในพระไตรปิฎกแทน องทรงบอกว่าทำคําสั่งคําสอนของเรานี้เวลาที่เราตายไปแล้วนี่เธอสามารถที่จะไปเรียนจากพระพระไตยปิฎกได้การเข้าหาพระรัตนตรัยสมัยนี้จึงเข้าต้องเข้าหาที่พระไตยปิฎกหรือเข้าหาพระอริยสงสาวกเราถึงจะได้แหล่งของความรู้ที่แท้จริงที่ถูกต้อง ถ้าเราหาเข้าหาพระไตรปิฎกเข้าหาพระอริยสงสาวกเนี่ท่านจะคอยสอนคอยบอกให้เราหมั่นชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เรากำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์หรือตัวแทนของพระพุทธเจ้า เราอาจจะหลงทางได้แานที่เราจะทำบุญเพื่อชาระความโลภ ก, กับทำบุญเพื่อเพิ่มความโลภเพราะเราโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่เขาก็บอกว่าทำบุญแล้วจะได้ก็เลยเชื่อเขาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการทำบุญที่แท้จริงคือการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การทำบุญนี่ชาระอะไรชาระความโลภนีเอง อยากได้มากมาก็วิธีที่จะกาจัดความอยากได้มากมากก็คือเอาเงินที่ได้มาจากความอยากได้มากมากไปทำบุญเสียเช่นเรากาหนดว่าเรามีความจำเป็นจะต้องมีเงินเท่าไหร่มีเงินที่ไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรานี่มีเท่าไหร่มีปัจจัยสี่ ถ้าเรามีปัจจัยสี่พอแล้วถ้าเรามีก็มากเกินไปกว่านั้นให้เอาเงินที่ได้ส่วนเกินนี้เอาไปทำบุญเสียเอาไปชำระความโลภไปเบรคความโลภนั่นเองไม่ฉช่นั้นแล้วมันจะโลภไปเรื่อยๆสมมติตอนต้นเราไม่มีปัจจัยสี่เราหาปัจจัยสี่พอได้ปัจจัยสี่มาแล้วเพราะแทนที่จะพอกับไม่พอซะอยากจะได้ปัจจัยห้าปัจจัยหก อยากจะได้อะไรมากมายขึ้นมาอีกแล้วแล้วพอได้มาก็อยากจะได้ของที่มันมีราคาแพงขึ้นไปอีกตอนต้นซื้อรถปิกอัพก็ดีใจนะต่อไปก็อยากจะซื้อรถเก๋งพอซื้อรถเก๋งก็อยากจะได้รุ่นพิเศษอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องใช้การทำบุญนี่มาสกัดมันเอ๊ะตอนนี้มีเงินมีพอแล้วนี่วะพอมีพอกินพอใช้แล้ว ได้มามากกว่านี้เอาไปทาบุญเสียถ้าเอาไปทำบุญทุกครั้งที่ได้มามากเกินที่เราจาเป็นที่จะต้องมีต้องใช้ต่อไปมันไม่รู้จะไปหาเงินไปโลภอยากได้เงินมาทำไมพอไมโ่โลภไม่ดิ้นดลนหาเงินหาทองมันก็มีความสุขเวลาโลภต้องดิ้นดลนหาเงินหาทองนี่มันวุ่นวายใจเหมันต้องคอยอ เกณนกำไรหะลงทุนวิธีจะทำลงทุนจะทำไงให้เงินมันเพิ่มเอาไปฝากธนาคารดีหรือเอาไปซื้อหุ้นดีหรือเอาไปทำธุรกิจดีแต่ละช่องทางก็มีความเสี่ยงคิดแล้วก็ปวดหัวบางทีไม่มีเส้ยดีกว่าแทนที่จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้จะให้ความสุขกับเรากลับมาทำให้เราวุ่นวายใจไปเปล่าล่า มีเงินมากเดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้เก็บไว้เฉยๆก็กลัวมันจะหดจะหายอีกก็เอาไปให้มันหายไปด้วยการทำบุญเสียกหมดเลยอ่ <c oughs> นี่แหละคือเป้าหมายของการทำบุญเป็นการชำระความโลภชำระความกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆพอไม่มีเงินแล้วมันก็หายกังวล ไม่ต้องมาคอยดูว่าหุ่นจะขึ้นหรือจะลงไม่ต้องคอยดูว่าดอกจะขึ้นหรือจะลงะขอให้เรามีกินมีใช้ก็พอแล้วออย่าไปหลงกับความนั่มรวยความนั่มรวยไม่ได้นําความสุขมาให้นําความวุ่นวายใจมาให้มากกว่าเพราะจะต้องคอยดูแลจัดการทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองแล้วต้อง คอยหาวิธีเพิ่มมันอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> ใจก็จะวุ่นวายอยู่กับการหาเงินมาเพิ่มหรือรักษาเงินทองที่ไม่จาเป็นที่จะต้องรักษาความสุขเลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีถึงแม้จะมีข้าวของเงินทองมีอาหารการกินที่วิเศษพิสดารแต่มันก็รู้สึกเฉยๆเวลากินเหมือนมันไม่ใหม่ๆครั้งแรกมันอาจจะรู้สึกแปลกดีอร่อยดี แต่พอกินซ้ํา้ำซากซาๆมันก็เบื่อเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีความสุขมากมาไปกว่าการกินอยู่แบบธรรมดาเท่าไหร่แต่ความวุ่นวายใจกลับมีมากกว่าความวิตกกังวลกลับมีมากกว่านี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเราต้องมาชำระความโลภด้วยการคอยเอาเงินที่มันมีมากเกินไปนี้ เอาไปทำบุญทำทานกันดีกว่าแลเวลาทำบุญทำทานนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าเก็บเงินเก็บทองเอาไว้หรือเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆเพราะว่าการทำบุญทำทานนี้ ท่านเปรียบเหมือนกับการเอาเงินไปฝังไว้ไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยที่สุดของเงินทองของพวกเราก็คือธนาคารบุญนี่การทำบุญนี่เป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญบุญคืออะไรก็คือทรัพย์ภายในใจทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปกับเราได้ร่างกายนี้ต่อไปมันจะต้องตายพอตายแล้วเรา ที่มาอาศัยร่างกายอยู่นี่เราจะแยกออกจากร่างกายเราไม่ใช่เป็นร่างกายอันนี้เราก็ไม่รู้กันถ้าเราไม่มาหาพระพูดพระธรรมพระสงฆ์เราก็ยังจะคิดว่าเราเป็นร่างกายอยู่เมื่อเราคิดว่าเป็นร่างกายเราก็ต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายอย่างดีที่สุดคอยหาความสุขให้กับร่างกายให้มากที่สุดแต่มันก็พอเวลาร่างกายแก่เจ็บตายขึ้นมา เราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้อีกต่อไปแต่ถ้าเรามาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พบครูอาจารย์ท่านจะสอนว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้เป็นเจ้านายของร่างกายร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปหาความสุขมาให้กับใจแต่เป็นวิธีหาความสุขที่ไม่ถูก เเป็นการหาความสุขที่มีความทุกติดมาด้วยถ้าเราไม่ได้เจอม า, มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้ว่าวิธีหาความสุขแบบไม่มีความทุกติดมาด้วยก็คือหาด้วยการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการทําบุญทําทานในลาดับที่หนึ่งลำดับที่สองก็ให้รักษาสีงให้สะอาดบริสุทธิ์ ลำดับที่สามก็ให้ภาวนาให้ทำจิตใจให้สงบให้ฉลาดแล้วจิตใจจะสะอาดบ ร, ริสุดอย่างเต็มที่แต่การชำระใจนี้ก็ต้องเริ่มจากระดับที่ง่ายขึ้นไปสู่ระดับที่ยากการชำระใจระดับที่ง่ายที่สุดก็คือการทำบุญทำทานอันนี้เป็นสิ่งที่ เราจะไม่รู้กันแล้วเราจะไม่กล้าทำไม่อยากทำมากเพราะเราอยากจะเก็บเอาไว้สำหรับหาความสุขให้กับร่างกายเพราะเราคิดว่าเรามีเงินทองเราจะได้ให้ร่างกายพาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้แต่มันเป็นความสุขเดียวๆไปเที่ยวกี่วันก็สุขแค่กี่วันนั้น พอกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปไปดูภาพยนตร์ก็สุขตอนที่ดูพอออกจากโรงมามันก็หายไปแล้วมันจะทำให้เราติดเราต้องคอยไปหามันอยู่เรื่อยๆดูเรื่องเดียวก็ไม่พอภาพยนตร์ดูเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกเรื่องแล้วก็ต้องดูอีกเรื่องแล้วเดี๋ยวเวลากไม่มีเงินดูก็เดือดร้อน หรือร่างกายไม่สบายอยากจะไปดูก็ไปดูไม่ได้ก็เดือดร้อนอีกนี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขมันเป็นวิธีหาความทุกข์โดยมีความสุขมาหลอกมาล่อเราเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเท่านั้นเองความจริงเราไม่ได้ไปฮุบเหยื่อหรอกเราไปฮุบเบ็ดตะขอเบ็ดกันการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ การไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเล่นเป็นการไปหาเบ็ดไปหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือถ้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะบอกว่าเอาเงินที่ไปหาความสุขเหล่านี้ไปทำบุญทําทานดีกว่าเป็นความสุขที่ปลอดภัยไม่มีความทุกข์ตามมาทาบุญแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจสบายใจ วิธีที่จะทำบุญแล้วให้เห็นผลทันตาเห็นความสุขใจอิ่มใจทันตาก็ต้องทำแบบที่เราเห็นเห็นผลจากการกระทาของเราเช่นเราช่วยเหลือใครที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราเห็นผลทันทีเห็นว่าเขาดีใจเขามีความสุขใจที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากเราก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือเขามีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจ ไม่มีความหวังไม่มีความสุขในชีวิตเลยพอเราได้ช่วยเหลือเขาทำให้เขาเกิดความสุขขึ้นมาเขาก็ดีอกดีใจพอเราเห็นเขาดีอกดีใจเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเนี่ยการทำบุญถ้าอยากจะให้เห็นผลต้องเลือกทำบุญที่ทำแล้วเรามีความรู้สึกสุขใจทำบุญบางอย่างนี่เราจะรู้อาจจะไม่รู้สึกสุขใจ เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นจากการเสียเงินเสียทองของเราไปเช่นถ้าเราคิดไม่เป็นเราก็อาจจะไม่รู้เช่นบางทีเขาบอกให้สร้างนูน่นสร้างนี่สร้างแล้วจะได้บุญมากนี่ทําไปแล้วมันก็ยังรู้สึกเฉยๆว่ะเห็นไหมเพราะว่ามันมันไม่เราไม่รู้ว่ามันมันมีประโยชน์มีคุณประโยชน์อย่างไรตรงไหนอันนี้ต้องมีปัญญามากถึงจะเข้าใจ งั้นถ้าเราทําบุญแบบที่เราไม่เกิดความรู้สึกดีอกดีใจมันก็อาจจะทำให้เราท้อไม่อยากจะทําทํแล้วไม่รู้สึกดีดีใจตรงไหนไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มเอิบใจตรงไหนก็มันก็จะทาให้เราไม่มีกำลังใจในการที่เราจะทําบุญทําทานกันแต่ถ้าเราไปทําบุญทําทานแล้ว เ, เห็นประโยชน์ทันตา เช่นเห็นสถานที่แห่งหนึ่งเขาโรงเรียนก็มาขอความช่วยเหลือให้ช่วยไปซ่อมแซมอาคารเด็กเรียนหนังสือแล้วฝนตกนฝนรั่วอะไรอย่างนี้เราไปซ่อมอาคารทําให้เรียนนักเรียนได้เรียนอย่างสบายหรือนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวันกิน เ, เรียนหนังสือไปก็ไม่มีเรียนไม่ค่อยมีสติกับการเรียนเพราะขาดแคลนอาหาร พอเราไปช่วยบริจาคเงินค่าอาหารกลางวันให้เด็กได้มีอาหารกินพอเขากินเขาอิ่มเขาก็มีความสุขเขาก็มีความมีกระจิตกระใจที่จะเรียนหนังสือเนี่ยต้องทำบุญแบบนี้เมื่อเราจะได้เห็นว่าเงินทองที่เราเสียสละไปนี่มันมีประโยชน์และมันให้ความสุขกับเรามากกว่าที่เราไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อของฟุ่มเฟือยต่าง หรือไปเที่ยวเราจะมีความรู้สึกแตกต่างกันทันทีนี่คือการทำบุญต้องทำแบบนี้ทำบุญเพื่อให้เราเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาทำบุญแบบที่มันเราไม่เข้าใจนี้มันถึงแม้จะเป็นบุญก็ตามแต่มันยังไม่ทำให้เราเกิดความรู้สึกอิ่มใจอบใจเพียงแต่ได้ความรู้สึกว่าเราได้เสียสละได้ชนะความตณีของเรา ได้ชนะความโลปของเราเท่านั้นคือแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อกระเป๋ารองเท้าก็าเอาเอาไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปหรืออะไรก็สุดแท้แต่แต่มันจะไม่มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจเหมือนกับที่เราได้เอาไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนหรือสัตว์ที่เดือดร้อนก็ได้ไม่อยากจะช่วยคนก็ช่วยสัตว์บางคนก็ไปถ่ายวัวถ่ายโคคิดถึงชีวิตเขาชีวิตเราดู ถ้าวันนี้เราจะถูกประหารชีวิตแล้วมีคนเข้ามาขอซื้อชีวิตเราให้กับเรานี่เราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกดีใจมากความสิ้นหวังนี้หายไปความสุขใจความมีความมีความหวังที่จะอยู่ต่อไปมันก็มาพอเราเห็นเขาดีใจเราก็มีความดีใจตามมาเราก็จะเห็นว่าเงินทองของเรานี้มันทำประโยชน์ได้จริงๆได้ดีกว่าการไปซื้อ กระเป๋าซื้อรองเท้าไปกินไปดืม่มไปซื้อของหรูหราไปซื้อของแพงๆมาใช้ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้เดือดร้อนตรงไหนมันไม่มีผลกระทบต่อจิตใจมันมีไม่มากแล้วมีโทษตามมาเพราะมันจะติดนิดสัยเคยใช้ของแพงๆ แ, แล้วมันจะใช้ของถูกไม่ได้เหมัอนก็อยากจะซื้อแต่ของแพ ง, แพงใช้ แต่ต่อไปมันไม่แน่แเงินทองยิ่งใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องหมดยิม่มันจะไม่พอใช้แล้วจะลําบากเพราะมันปรับตัวไม่ได้เคยใช้ของแพงๆใช้ใช้ของหรูหราพอต้องมาใช้ของธรรมดาแล้วรู้สึกอไม่มีความสุขนี่คือเรื่องราวของเหตุผลของการทําบุญเพื่อมาช่วยให้ใจของเรามีความสุขและช่วย กำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความตณีของเราอันนี้เป็นผลที่เราเห็นทันตาเห็นจากการที่เรากระทาในขณะนี้เลยแต่นอกจากนั้นมันยังมีผลต่อเราต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วร่างกายของเรานี้มันต้องตายพวกเราทุกคนต้องยอมรับกันแต่เราไม่ต้องไปกลัวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรา ที่เรากลัวกันเพราะเราไปคิดว่ามันเป็นเราเท่านั้นเองพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ทรงพน้นค้นพบตัดสรู้คำว่าตัดสั้นู้ก็รู้ว่านร่างกายไม่ได้เป็นเราความหลงมันมาหลอกให้เรามาคิดว่าร่างกายเป็นเราแต่พอได้ปฏิบัตินั่งสมาธิได้เจริญวิปัสสนาก็จะสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ ใจนี้มาติดอยู่กับร่างกายใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเราจึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเราจะเห็นใจได้ด้วยตาของใจเองวิธีที่จะเห็นใจดได้ด้วยตาของใจก็เราก็ต้องปิดตาของร่างกายก่อนเราทาไมจองนั่งสมาธิกันเพราะเราต้องการปิดตาของร่างกายเพื่อที่จะเปิดตาของใจ พอเรานั่งสมาธิเราก็หลับตาแล้วเราก็ทําใช้สติดึงใจให้ออกแยกออกจากร่างกายตอนนี้ใจของเราส่งสัญญาณส่งกระแสมาเกาะติดอยู่ที่ร่างกายมาติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายจนทําให้เรารู้สึกว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันแต่พอเวลาเรานั่งสมาธินี้เราจะใช้สติเช่นพุทโธพุทโธ ดูลมหายใจเพื่อหยุดกระแสของใจที่ส่งมาเกาะติดอยู่กับร่างกายพอพอตัดกระแสหยุดกระแสได้ใจกับร่างกายก็แยกออกจากกันใจก็จะเห็นจะรู้จักใจขึ้นมาว่าอนี่คือเราเราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ความสงบพอใจสงบใจก็จะเห็นตัวรู้ตัวตัวคิดขึ้นมาว่าต่างจากร่างกาย เราจะเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าเวลาร่างกายตายนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละที่กลายเป็นดวงวิญญาณต่อไปแล้วจะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขหรือมีความทุกข์ก็อยู่ที่ว่าได้ชำระใจให้สะอาดมากน้อยเพียงหลนั่นเองถ้าเราชำระใจด้วยการทำบุญทำทานเราก็ทำทาให้ใจนี้มีมีบุญมีกุศลมีความสุขใจ ที่จะทำให้ดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เป็นพวกเทวดาทั้งหลายนี้เองแต่ถ้าดวงวิญญาณของเรามีความทุกข์เพราะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราทุกข์กับาความโลภความอยากต่างๆทุกข์กับความนความหวงความห่วงความตนืเวลาตายไป ดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกขุมโห่ดวงวิญญาณที่มีความทุกขุมโห่ก็เรียกว่าเปรตพวกที่มีความโลภเราเรียกว่าเปรตพวกที่มีความกลัวก็เรียกว่าผีหรืออสูรกายพวกที่มีความโกรธอาฆาตพยาบาทก็เป็นพวกนรกขึ้นมานนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราต่อไป ถ้าเราไม่มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำบุญทำทานเมื่อทาบุญแล้วยังต้องทำอย่างอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกเพราะบุญนี้เพียงแต่ช่วยชำระได้เพียงส่วนหนึ่งเท่้นั้นยังมีอีกสองส่วนที่เรายังต้องมาชำระต่อไปคือเราต้องมาชำระบาปที่ทำให้ใจเราไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสูรกาย ด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำบาปด้วยความโลภด้วยความโกรธความหลงใจของเราเนี่ยเวลาตายไปจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงที่มีแต่ความทุกข์ใจที่มีความโลภที่เกิดจากการทำบาปก็เป็นเปรตใจที่มีความโลภที่เกิดจากความโกรธก็จะเป็นนรกเนี้ยนี่เป็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจเราต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจึงต้องควรมาชำระใจตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เรายังไม่ตายเพราะว่ามีภพของเราภพของมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถชำระใจได้ถ้าไปเกิดในภพอื่นนี้จะ ช, ชำระไม่ได้หรือชำระได้ยากภพอื่นนี้เป็นที่ไปรับผลบุญผลบาป ภพของมนุษย์นี้เป็นที่เป็นภพของของการสร้างบุญสร้างบาปเป็นภพของการสร้างความสะอาดหรือสร้างความสกปรกให้กับใจการทําบาปการมีความโลภโกรธหลงนี่เป็นการสร้างความสกปรกให้กับใจสร้างความทุกข์ให้กับใจการทําความดีทําบุญต่างๆการไม่ทําบาปการชําระใจด้วยการภาวนานี้เป็นการ สักพองจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าไปเกิดในภพอื่นนี้จะไม่มีมีไม่ไ ม, ม่มีโอกาสหรือไม่มีความสามารถที่จะทำได้ถ้าไปเกิดเป็นเดนรัจฉานนี้จะไม่รู้เรื่องเรื่องของการชำระใจให้สะอาดว่าทำอย่างไรเรื่องของบุญเรื่องของบาปจะไม่มีวันรู้สัตว์เดรัจฉานเา็าัวแต่คอยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขา ด้วยการฆ่าผู้อื่นสัตว์นี้อยู่ได้ด้วยการฆ่ากันก็จะไม่มีวันที่จะมาชาระใจได้ต้องรอให้พ้นบาปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนถ้าเป็นมนุษย์แล้วถ้าไม่มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รู้อีกอย่างพวกเรานี้ถ้าไม่ได้มามาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะไม่ได้ยินเรื่องราวอย่างที่ได้ยินในวันนี้เราจะได้ยินแต่เรื่องราวที่จะทา สนับสนุนความโลภของเราอยากได้เงินได้ทองทํำยังไงดีซื้อหวยดีไหมเอาเงินไปซื้อหุ้นซื้อหวยซื้อตึกซื้อที่ดินซื้ออะไรต่างๆจะมีแต่เรื่องราวเหล่านี้ให้เราคิดกันแล้วก็มีให้เรามีเรื่องราวมาหลอกมาโลภรอความโลภเรามีของใหม่ๆแปลกๆมาโฆษณาให้ดูอยู่เรื่อยมีรถรุ่นใหม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ มีอะไรใหม่ๆออกมาล่อน้ําลายเรา้เห็นเราก็น้าลายไหลแต่มันก็กลายเป็นของเก่าไม่เกลี้ยงไม่กี่วันของที่มีใช้อยู่เมื่อก่อนมันก็ใหม่เอี่ยมไม่ใช่น้าลายไหลกับมันเดี๋ยววันนี้ไหลหรือเปล่าไม่ไหลแล้ว <laughs> นั่นแหละเราถูกล่อถูกล่ออยู่ตลอดเวลาให้เรามาทําให้ใจของเราสกปลกมากขึ้นด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงมากขึ้น ทั้งๆ ท, ที่เรามีของใหม่ๆแปล ก, ก, กๆเยอะแยะเต็มบ้านไปหมดแต่ความสุขแทบจะหาไม่ได้เลยมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายอยู่กับการการโลภ ก, การห า, ห, าหรือการดูแลรักษาหรือการทะเลาะวิวาสกับคนนั้นคนนี้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติเข้าของเงนินทองต่างๆไม่มีความสุขหรอกการมีสมบัติมากๆอุเจาวสอนว่าให้มีพออยู่ได้ก็พอ ในหลวงรอก้าท่านก็สอนเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงท่านก็ทำตัวอย่างสอนแบบชาวนาวชาวไร่ให้มีที่อยู่สักสพอประมาณไว้สำหรับมีบ้านปลูกบ้านได้มีสะทำเลี้ยงปลาได้มีที่ปลูกข้าวได้ก็ชีวิตก็อยู่ได้มีความสุขแล้วไม่ต้องไปดิน้นรนให้มากมาย พระ อ, องค์มีสมบัติมากพระ อ, องค์รู้ในใจของพระ อ, องค์นี้ต้องวิตกกังวลกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะต้องคอยดูแลรักษาในหลวงนี้ท่านหล่อเก้านีน้ท่านเป็นเหมือนพระเพราะท่านศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆท่านกข้าหาพระพุทธพระพระธรรมคําสอนหรือพระอริยสงฆ์อยู่เรื่อยๆท่านไปยต่างจังหวัดนี้ฉันจะว่าไปตามวัดป่าต่างๆ กราบไหวครูบาอาจารย์สายปฏิบัติไปฟังเทศฟังธรรมไปสนทนาธรรมแล้วท่านก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องท่านมันชำระใจของท่านอย่างต่อเนื่องดูดูความประพฤติของท่านดูการกินอยู่ของท่านถึงแม้เป็นกรรษัตริย์ก็ตามแต่ท่านไม่ได้หรูหราฟุ่มเฟือยท่านก็อยู่ตามท่านอยู่แบบเรียบง่ายนะ เพราะท่านมีธรรมะท่านคอยหมั่นชำระใจของท่านทำบุญอยู่เรื่อยๆมีสียาการทำบุญหลายรูปแบบมีทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองก็บริจาคเวลามีภัยต่างๆก็บริจาคทรัพย์ต่างๆ้แล้วยังพยายามทำงานเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนต่างๆ บนเขานี้ก็เป็นผลผลอนิสงส์จากการทำงานของนายหลวงเนี่ยนายหลวงเนี่ยเป็นผู้มาสั่งให้รักษาเขตเขานี้ไว้เมื่อก่อนนี้ไม่มีการดูแลรักษาท่านก็เห็นว่ามันเป็นป่าที่มีประโยชน์ให้มาเป็นที่อยู่ของของสัตว์ป่าแล้วก็ให้พระมาอาศัยอยู่มาศึกษามาปฏิบัติธรรม ว่าท่านศึกษาปฏิบัติธรรมมาท่านเห็นคุณค่าของธรรมะเห็นคุณค่าของการชำระซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ว่าจะเวลาจะซักพอกด้วยการภาวนานี่จจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่จะมาคอยรบกวนใจที่จะมาคอยหลอกล่อให้ใจเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงนั่นเอง นี่ก็คือเนี่ยนี่เรื่องของในหลวงผู้ที่มีมีจิตใจที่ใฝ่ธรรมได้ศึกษาธรรมมีใจที่มั่นชำระใจของท่านใจของท่านยังมีความสุขท่านเลยไม่ต้องไปหาความสุขจากการไปมีนู่นมีนี่เห็นไหมมีเมียท่านก็มีคนเดียวดังนั้นนั้นก็ไม่ได้ไปหลงอะไรมากมายกายกองเพราะใจมันมีความ ความสุขในใจที่เกิดจากการทําความดีนี่เองทำดีทําประโยชน์ให้กับโลกกับประเทศชาติเนี่ยท่านมีโครงการพระราชดำริไม่รู้กี่พันโครงการด้วยกันทุกโครงการก็เพิ่มยกระดับรายได้ยกระดับความความสุขให้กับชาวนาชาวไร่ผู้ที่อยู่ผู้ที่ยากไร้ทั้งหลา ย, ยท่านจึงมีความสุขจากการทําบุญของท่าน ท่านเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็เห็นในหลวงไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไหมไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวฝรั่งเศสไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมท่านมีแต่ขึ้นเขาขึ้นดอยนี่แหละวิธีหาความสุขด้วยการชำระใจหาด้วยการทําบุญทําทานทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นมันจะกลับมาหาเราเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปนานกว่าไปเที่ยวมันสุขชั่วไปเที่ยวกลับมาหายไปแล้ว พอคิดถึงมันก็ทำให้เราไม่สบายใจอยากจะไปเที่ยวอีกล่ะแต่ถ้าเราได้ทำบุญทำประโยชน์มาไม่รู้นานทักเท่าไหร่พอคิดถึงมันมันก็ยังทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอิบใจขึ้นมาเราไม่ต้องไปเที่ยวไปหาความสุขทุกครั้งเพียงแต่คิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้ความดีที่เราได้ทำไว้มันก็ทำให้เรามีความสุข นี่คือประโยชน์จากการที่เราจะได้รับจากการที่เรามาชำระใจด้วยการทำบุญทำทานทำบุญทำทานแล้วจะมีความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่และเวลาตายไปถ้าเรานอกจากทำบุญแล้วเราไม่ได้ทำบาลด้วย ใจของเราก็จะไปเป็นเทวดากันดวงวิญญาณจะเป็นเทวดาจะไปอยู่ต้องมีหกชั้นด้วยกันสวรรค์มีตั้งแต่มีดาววนหนึ่งมียามามีดุสิตมีปรณิมมีนิมานมีละมีหกชั้นที่เราได้ยินได้ฟังกันนี้มันเป็นระดับของการทำบุญทำความดีทำความดีมากก็ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงมาก ทำความดีน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นชั้นต่ำชั้นน้อยนี่อันนี้เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโรแล้วนําเอามาสอนพวกเราไม่ได้เป็นนิยายเหมือนกับที่พวกเราไปเห็นในทีวีส่วนใหญ่เรื่องในทีวีนี้เชื่อไม่ได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องอนึกคิดกันขึ้นมาเองโดยอาศัย ความจริงเล็กๆน้อยๆมาผสมปรุงแต่งทำให้คนดูสับสนไปหมดแะถ้าอยากจะรู้เรื่องของความจริงเกี่ยวกับดวงวิญญาณนี้ต้องมาศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระอริยสงสารวกแล้วก็ต้อง ป, อปฏิบัติ ด, ด้วยถึงจะเห็นเรื่องของดวงวิญญาณการทำบุญรักษาศีนี้ไม่พอที่จะทาให้เราเห็นดวงดวงจิตดวงวิญญาณของเราได้ ถ้าอยากจะเห็นดวงจิตดวงวิญญาณนี้เราต้องมาหัดภาวนามาหัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วเราจะเริ่มเห็นใจกับร่างกายแยกกันเป็นคนละส่วนแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อเวลาร่างกายตายไปตายเพียงแต่ร่างกายใจไม่ไม่ได้มีไม่ได้ตายเพราะใจไม่มีอะไรที่จะต้องตายใจไม่มีร่างกายไม่มีส่วนประกอบเหมือนกับร่างกาย ร่างกายมีดินน้ำลมไฟมาเป็นส่วนประกอบเมื่อถึงเวลามันก็จะแยกทางกันพอแยกทางกันเราก็เรียกว่าตายพอลมมันไม่เข้ามาในร่างกายมันมีแต่ออกร่างกายก็ตายแล้วเดี๋ยวไฟก็ออกจากร่างกายไปแล้วเดี๋ยวน้ำก็ออกจากร่างกายไปในที่สุดก็เหลือแต่ดินส่วนที่เป็นส่วนแข็งก็จะผุพังไปกลายเป็นดินไป นี่คือร่างกายของทุกคนแต่ใจของทุกคนไม่ได้ผุพังไปกับร่างกายเพราะใจเป็นผู้รู้เป็นธากรู้ที่ไม่มีวันตายถ้ารู้ก็ไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทำกันถ้าได้ทำบุญนะก็จะมีบุญเป็นสเบียงเป็นอาหารเป็นทรัพย์ทำให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายในขณะที่เราไม่มีร่างกาย แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่พอเวลามาเกิดใหม่บุญที่เราทำไว้ก็ยังมีผลทำให้เรามาเกิดร่ารวยกว่าเก่าอีกเพราะว่าเรามีบุญฝากไว้ในธนาคารบุญมีทั้งต้นแล้วยังมีดอกเบีย้ยด้วยถึงทำให้เราได้เงินมากกว่าที่เงินเราทำไปกลับมาร่ารวยกว่าเก่า อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็เป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญอย่างมากมายพอตายไปดวงวิญญาณของท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์พอลงจากสวรรค์ลงมาก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีทรัพย์สมบัติมากกว่าสมัยที่เป็นพระเวชสันดร น, นี่คือเรื่องของการชำระใจ ด้วยการทาบุญทําทานส่วนเรื่องการรักษาศีลเรื่องภาวนาก็จะทำให้ใจสะอาดมากยิ่งขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นจนถึงความสุขขั้นเต็มร้อยความสุขที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปความสุขที่จะทำให้ใจเราอิ่มเราพอที่ทำให้เราไม่ต้องมาหามามีร่างกายกัน ตอนนี้ความสุขใจของเรานี้ยังไม่เต็มร้อยพอเราไปเกิดบนสวรรค์พอความสุขที่ได้จากการทำบุญหมดไปเราก็จะกลับมามีร่างกายเพราะเรายังอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายต่อไปแต่ถ้าเราได้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เต็มร้อยใจของเรานี้จะไม่มีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายต่อไป เราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ไดาจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เต็มร้อยได้พอใจสะอาดบริสุทธิ์เต็มร้อยใจก็จะเป็นนิพพานเมื่อใจเป็นนิพพานใจก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปจะอยู่กับความสุขเต็มร้อยนี้ไปอย่างตลอด อย่างใจของมุทตเจ้านอนนี้อยู่กับความสุขเต็มร้อยมาตั้งสองพันหกร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่วันที่ตัดสารุธธรรมในวันเพ็ญเดือนหกสี่สิบห้าปีก่อนพุทธศักราชนแล้วปีของพุทธศักราชมาบวกกับสี่สิบห้าปีเราก็จะได้รู้ว่าใจของมุทธเจ้าที่เป็นนิพพานนิพพานมากี่ปีแล้วมีความสุขแบบนี้มากี่ปีแล้วสองพัน 2562บวกกับ45สก็เป็น 2,607 ้ปีะนี่คือความสุขของใจของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีต่อไปเรื่อยๆจะไม่ต้องมามีความทุกข์อย่างพวกเราเ่อเราตายไปเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทุกข์กับร่างกายใหม่แล้วเดี๋ยวตายไปใหม่ก็กลับมาอีกจนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วทําตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทำํำจนกลายเป็นพระอาหารหันต์ตัวกขึ้นมาเป็นผู้สิ้นกิเลสขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนใจของเราก็จะได้เป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าจะอยู่ไปอย่างไม่มีความทุกข์ไปตลอดอนันตการนี่คือเรื่องของทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะนี่คือวิธีสร้างความทุกข์ที่แท้จริงวิธีที่จะกําจัดความสร้างความสุขที่แท้จริงและกําจัดความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้อย่างถาวรวิธีที่เราทํากันเมื่วันนี้เป็นวิธีชั่วคราวเวลาทุกทีก็ไปเที่ยวทีก็หายทุกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกลับมาก็เจอมันใหม่ได้ความสุขจากเที่ยวเดี๋ยวเดียวกลับมาความสุขนั้นก็หายไปอันนี้จะทำจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนวันตายตายแล้วก็กลับมาแก้ปัญหาแบบเดิมอีกนะจึงขอให้เราให้ความสำคัญต่อการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำบุญด้วยการรักษาศีลนะด้วยการภาวนาและรับรองได้ว่าความสุขที่แท้จริงที่ถาวรจะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราจะถูกกาจัดไปอย่างถาวร การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยั า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานังอุปก ป, กปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา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 อพิวาท า, า, านัสสิลิตสะนิจจังวุทธาปจายิโนจตารโธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟซบุ๊กส3มร y o u t u สามร้อยแปดสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบเก้ารับฟังบนเขาสามสิบหกรวมทั้งสิ้นเจ็ดร้อยแปดสิบแปดท่านค่ะอัอนนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ถ้ายังไม่มีถ้าทางบ้านมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยชยังไม่มามีคำถามค่ะพระอาจารย์ค่ะคำถามจากคุณลักยิ้มค่ะลูกทำทานทุกวันแต่หวังผลดังนี้จะถือเป็นกิเลสใหม่เจ้าคะคือหนึ่งประโยชน์หรือความสุขของผู้รับสองความสุขใจของตนเอง เพราะเมื่อเห็นเขามีความสุขแล้วเราเกิดความสุขขึ้นมาทันทีสามหากเราตายไปก่อนบุญที่เราทาจะติดตามเราไปและถ้าเราไปเกิดใหม่จะมีอุปนิสัยที่ชอบทำทานเสสระแบ่งปันใหม่ค ะ, ะก็จะติดเป็นนิสัยไปเราเคยทำอะไรไว้มันจะเป็นนิสัยเช่นเราถนัดมือขวาเราก็จะไปใช้มือขวาต่อไปถนัดมือซ้ายก็จะใช้มือซ้าย ถนัดทำบุญก็จะทำบุญถนัดทำบาปก็จะทำบาปพอเราทำอะไรเป็นนิสัยมันก็เป็นความถนัดขึ้นมาเพร้นการฝึกนิสัยที่ดีมันก็เป็นการสะสมการกระทาที่ดีเพราะการกระทาที่ดีนำความสุขมาให้กับเรานั่นเองการกระทาที่ไม่ดีมันจะนำความทุกข์มาให้กับเราแต่เวลาเราทำนี่ เราต้องระวังอย่าไปโลภเกินเหตุคือบางคนทําบาตร ท, ทาบาตรหนึ่งแล้วอยากจะได้ผลร้อยบาทา น, านี้เรียกว่าโลภอย่าไปโลภแบบนั้นทําบาตก็ทาหนึ่งบาทก็ขอให้ยินดีกับผลของเงินหนึ่งบาทที่เราทําก็จะมีความสุขแต่ทาหนึ่งบาทแล้วอยากจะได้ร้อยบาทแล้วไม่ได้ก็อาจจะทําให้เสียใจขึ้นมา ฉันทำอะไรก็บางคนเนะี่ยทำบุญมีเงินน้อยอยากคิดว่าทำมีทำเงินมากแล้วจะได้บุญมากก็เลยไปเรียลายแจกซองของของเงินคนอื่นมาทำํำถึงแม้จะได้มามากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่เป็นเงินของเราถึงแม้ว่ายอดทําบุญจะมากยอดเงินของพระป่าจะมากอจากพันเป็นหมื่นอย่างนี้แต่เงินของเราจริงๆแค่พันเดียวเราก็ยังได้แค่พันเดียวอยู่ ว่าเราเสียสละแค่พันเดียวส่วนอีกเก้าพันนั้นเป็นการเสียสละของผู้อื่นเขาเป็นเกินของผู้อื่นผู้อื่นเขาได้บุญเราได้เท่าเดิมงั้นบางทีอย่าไปวุ่นวายกับการไปเลี่ยายเงินทองเพื่อมาทําบุญเพื่อจะได้เงบุญมากๆให้กับเราเราได้ไม่ได้มากเท่าเดิมเราได้เท่าเดิมไม่ได้มากกว่าเดิมแต่ประโยชน์อาจจะผู้รับนี่อาจจะได้มากกว่า ถ้าเราทำพันบาทกับทำหมื่นบาทผู้รับก็จะเอาเงินไปทำประโยชน์ได้มากน้อยต่างกันอันนี้เราก็ต้องดูที่ผู้รับว่าเขาจำเป็นจะต้องมีเท่าไหร่เช่นเขาต้องสร้างห้องน้ำอย่างเงี้ยถ้าเราบริจาคพันหนึ่งนี้มันจะไม่พอที่จะสร้างห้องน้ำอย่างนี้เราก็อาจจะไปบอกบุญได้แต่ไม่ควรที่จะไปบังคับบุญ บอกบุญกับบังคับบุญไม่เหมือนกันนะบังคับบุญก็เอาซองไปยื่นให้เขานะซองนี้ก็เป็นเหมือนปืนนะไปจี้แล้วเดี๋ยวมันต้องต้องจากกระเป๋ามาใส่ซองอนะ่ะงั้นเพียงจะบอกเฉยๆว่าอวันนี้เขาขาดห้องน้ํำนะหนูจะไปทําบุญที่วัดนี้แต่ยังไม่พออถ้าใครอยากจะร่วมบุญก็สาธุนะ ไม่ต้องไปขอเขาพี่ช่วยทําให้หน่อยช่วยหน่อยอย่างนี้เป็นการบังคับบุญบังคับบุญจะไม่ค่อยได้คนทําบุญเขาจะบางทีจะไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่เพราะว่าเขาบางทียังไม่พร้อมแต่เขาทําเพราะเกรงใจเราเหมือนกับเราไปบีบบังคับให้เขาทำํำอย่างนี้จะทําให้เขาทําแล้วไม่ค่อยมีความสุขแต่แล้วบางทีเขาต้องเอาเงินไปซื้อของให้ลูกหรือทําอะไรให้ลูกเนี่ เราต้องเอามาทำบุญเพราะเขาเก่งใจเราอย่างนี้หรือเรามีบุญคนกับเขาหรืออะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรทำทำแบบนี้แล้วแทนที่จะไปสร้างความสุขอาจจะไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นอาจจะสร้างความสุขให้กับคนที่ไปใช้ห้องน้ำมีห้องน้ำใช้แต่ไปสร้างความทุกข์กับคนที่จะถูกบังคับให้เบยจากเงินมาสร้างห้องน้ำ ดังวิธีบอกบุญจึงไม่ควรที่จะบังคับบุญอย่าอย่าพิมพ์ซองแจกกันบอกได้ว่าจะไปทําบุญที่นั่นนะกระถินปีนี้จะไปทอดกรถินที่วัดนั้นวัดนั้นขาดแคลน น, น, นนู่นขาดแคลนนี่ก็ว่าไปขาดแคลนน้ําจะไปช่วย ท, ทําถังน้ําช่วยทําบ่อน้ําคนที่เขาฟังบางคนก็ชอบทําบุญแบบนี้เขาก็สาทุเดี๋ยวขอร่วมด้วย บางคนชอบทำบุญกับน้ำทำบางคนก็ชอบทาเปิดโรงทานพอบอกจะไปเปิดโรงทานวันนู้นวันนี้เดี๋ยวขอไปด้วยขอไปร่วมด้วยแล้วไม่ไปก็ขอบริจาคเงินไปด้วยเพราะคนเราแต่ละคนมีความถนัดในการทำบุญแต่ละชนิดต่างกันบางคนก็บอกพอบอกจะไปถ่ายโวถ่ายครวัวไปถ่ายชีวิตโวควัวควายเขาก็โอยสาธุขอร่วมด้วย บางทีเราบอกจะไปปล่อยนกปล่อยปลาเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไปฝากเงินไปช่วยทาให้ด้วยอย่างนี้ปล่อยให้เขาทำด้วยความยินดีด้วยความสมัครใจถ้าเขาไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วเราก็เราทำบุญเราก็จะมีความสุขบางทีเราทนทำบุญจะมีความสุขกับต้องมาทุกกับการเรียรายเงินของคนอื่นแล้วพอไม่ได้ยอดที่เราต้องการก็เสียใจไม่สบายใจนี่ นีเรียกว่าทำบุญแบบไม่สบายใจทำบุญแบบทุกข์ใจด้วยความโลภนี่ทำด้วยความโลภขอให้เราทำไปตามกําลังของเราแล้วผลของที่มันจะเกิดได้เท่าไหร่ก็ขอให้เรามีความยินดีมีความพอใจกับมันอย่าไปอยากให้มันได้มากกว่าผลกว่าเหตุที่มันจะให้ได้เหตุให้ได้เท่านี้ก็พอใจแค่นี้ ทำบุญพันหนึ่งได้สวรรค์ชั้นนิ ม, มาใช้ได้สวรรค์ชั้นต่ําก็ไม่เป็นไรดีกว่าได้ดีกว่าได้ในโลกดีกว่าได้เป็นเปรตแต่แม้เป็นสวรรค์ชั้นต่ําก็ยังดีกว่ามนุษย์เนี่ยให้คิดอย่างนี้แล้วก็เราจะได้ทําบุญแบบถูกวิธีไม่ได้ทําด้วยความโลภเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นของแจกก็โลภอยากได้เอาไปฝากคนนั้นคนนี้ทั้งที่เขาไม่ได้ อยากได้เลยแต่เราโลภเห็นแล้วเป็นของฟรีถ้าเป็นของขายก็คงจะไม่โลภอะ่ะใช่นหมเ <laughs> มื่อกีก้เลยอย่าดูเท <laughs> ่านั้นนายก็ทําบุญแบบความโลภใช่ไหมอยากจะเอาธรรมะไปฝากเพื่อนเอเห็นเป็นของแจกก็เลยเอาแต่ไม่รู้ว่าเขาแจากแบบไหนเขาแจากให้เราเขาไม่ได้แจกให้เราไปแจกต่อ เหมือนกับเวลาไปกินงานเลี้ยงแล้วก็เอาเป็นโตไปด้วย <c oughs> จะไปฝากพี่น้องที่บ้าน <c oughs> นี่มันเป็นความโลภทำบุญแบบนี้เรียกว่าทำทำโลภแต่แม้ว่าจะไปทำบุญเอาของที่เราไปที่งานเลี้ยงนี้ไปแจกคนที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นความโลภถ้าเราอยากจะเลี้ยงคนที่บ้านแล้วก็เอาเงินของเราไปซื้อของไปให้เขาอย่างนี้ถึงยังนเป็นการทำบุญที่แท้จริง คำถามต่อไปค่ะกระผมได้ฟังพระอาจารย์ตอบครับตอบคําถามเรื่องภาวนาจิตไม่สงบจะได้บุญหรือไม่พระอาจารย์ตอบว่าไม่ได้บุญต้องทําให้จิตสงบถึงจะได้อย่างนี้บางคนฟังเชื่อใจเชื่อสนิทใจไปภาวนาไม่สงบบ่อยๆเขาจะเลิกภาวนากันไหมครับกันหมดไหมครับเพราะเข้าถึงความสงบไม่ได้แล้วจะไม่ได้บุญขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะความสงสัยของกระผมด้วยครับ อ๋อพอนาไปมันได้แต่มันช้าไงเหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกวันนี้จะให้มันออกดอกออกผลทันทีไม่ได้ต้องใช้เวลาปลูกแล้วก็ต้องคอยมารดน้ำพ่ดินคอยรักษาต้นไม้อยู่เรื่อยๆต้องใช้เวลากว่าต้นไม้มันจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาถึงบอกว่าถ้าอยากจะได้บุญแบบฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็ไปบอยจากเงิ น, นพอใส่บาทปุ๊บบุญก็เกิดทันทีเลยเ แต่บุญมันน้อยกว่าบุญที่ได้จากการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเหมือนปลูกต้นทุเรียนกว่าจะได้กินทุเรียนห้าปี1ิปีนู่นต้องใจเย็นๆต้องเข้าใจว่าการทำบุญนั้นมันจะได้ผลช้าหรือเร็วถ้าอยากจะได้เร็วก็ต้องไปบวชเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้ารับประกันเจดวันเจดเดือนเจดปี อยากจะนั่งสมาธิไปบวชเตมจะได้ไม่ต้องไปทำงานอย่างอื่นเรานั่งสมาธิแค่แป๊บเดียวแล้วเราก็หวังจะได้ผลแบบคนที่เขานั่งทั้งวันทั้งคืนมันไม่ได้หรอกมันต่างกันเราต้องเข้าใจลักษณะของบุญถ้าท้อไม่ทำก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันบุญแบบนี้มันเกินเกินกําลังของเราพูดง่ายๆบุญแบบนี้มันเหมาะสาหรับนักบวชมากกว่าของพวกเราก็เป็นแบบมือสมัรเล่นทั่านั้นเอง พอหอมปากหอมคออาจจะไปแข่งขันไปชิงถ้วยชิงเหรียญนี่ไม่ไม่ได้หรอกพวกมือสมัครนล่นพวกดูพวกตีกอล์ฟแต่พวกโปรนี่เขาทาอะไรบ้างเขาลงสนามทุกวันเนียขาหัดตีทุกวันเขาไปทํางานทําการไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ไม่ทำแล้วเาต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการตีกอล์ฟอย่างเดียวเขาถึงจะมีความสามารถที่จะเข้าลงสนามแข่งของมืออาชีพได้น อันนี้ก็เหมือนกันการภาวนานี่มันเป็นเรื่องของมืออาชีพเขาทำกันคือพวกนักบวชเนี่ยพวกพระพวกแม่ชีเนี่ยเขาไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นเหมือนพวกเราพวกเรายังไปเที่ยวกันยังไปกินไปดื่มกันไปทำงานกันแล้วเราเอาเวลามานั่งสมาธิกันสักเท่าไหร่วันหนึ่งจะนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงก็ปะนั่งก็ไม่มีกาลังจะนั่งไม่มีสติที่จะมานั่งให้มันเกิดผล มันถึงเป็นงานที่มันไม่เหมาะกับพวกเราพวกเรามักจะอยากจะทำบุญอุทิศแบบไม่ต้องเสียเงินกันคิดว่ารักษาศีลนั่งสมาธิแล้วนั่งสวดมนต์เสร็จก็อุทิศบุญให้กับผู้ตายได้บุญมันยังไม่เกิ ด, ดเข้าใจ็นเป็นการปลูกบุญเท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นการรับรับผลบุญ ถ้าอยากจะปลูกปั๊ได้ผลปั๊เนี่ยไปใส่บาทสิใบใบจากข้าวของเงินทองช่วยเหลือกูพวกคนที่เขาเจออุทุกข์กภัยเจออะไรอย่างนี้ก็ได้บุญทันทีสามารถอุทิศบุญได้ทันทีมีความสุขได้ทันทีแต่มันมีความสุขแบบสั้นๆมันไม่นานเหมือนกับบุญที่ได้จากความสมางบฉะนั้นต้องรู้จักธรรมชาติของบุญแต่ละชนิดว่ามันเป็นอย่างไรมันต้องใช้ ใช้เวลามากน้อยเพียงไรถึงจะได้บุญแต่ละชนิดขึ้นมาถ้าท้อแท้ก็ไม่เป็นไรล้วเพราะมันยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีท้อแท้แล้วไม่ท้อแท้มันก็ไม่ได้ถามจริงๆพวกที่ฟังเทศฟังธรรมที่มานั่งสมาธินี่จิตเคยรวมจิตเคยสงบกันหรือยัง ไม่เชื่อลองไปเดูแบบนักบวช ด, ดูสามวันเจ็ดวันดูเลยแล้วดูแ่้วนั่งแล้วจิตจะรวมจะจะสงบไหมหรือจิตจะยิ่งฟุ้งใหญ่เพราะมันไม่มีอะไรทํามันยิ่งฟุ้งใหญ่แต่พราะไม่ได้มาอยู่ในวัดอย่างน้อยมันมันยังมีอะไรทําแก้ฟุ้งได้อยากจะดูหนังก็ยังดูได้อยากจะดูละครก็ยังดูได้แต่ถ้ามาอยู่เก็บตัวเพื่อที่จะมาทําใจให้สงบนี่ห้ามทําอะไรทั้งนั้นนอกจากทําสมาธิอย่างเดียว มันก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นบางทีพวกเราฟังธรรมระดับสูงเหมือนกับเราฟังทศึกษาความรู้ระดับปริญญาตรีแต่เรายังอยู่แค่อนุบาลนี้ <c oughs> ก็เอามาทำก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสมรรถภาพมีความสามารถที่จะเข้าสู่ความรู้ระดับนั้นได้เน้นจึงไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่ผู้ที่มาปฏิบัติ เพงแต่ว่าให้ทาไว้เพื่อเผื่อไว้ว่าต่อไปเวลาที่แกเวลาที่ไม่รู้จะทำอะไรมีเวลาว่างทีนี้เราจะได้ไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์เพราะตอนนี้เราเตรียมตัวไว้ก่อนเริ่มต้นที่สิบยังดีกว่าเริ่มต้นที่ศูนย์มาหัดทำวันละเล็กวันละน้อยก่อนมาฝึกนิสัยให้รู้จักวิธีนั่งสมาธิว่านั่งอย่างไร สถานที่ที่ควรจะนั่งเป็นอย่างไรอะไรต่างๆเรียนรู้ไว้ก่อนเตรียมพร้อมไว้ก่อนพูดง่ายๆยังไม่ถึงขั้นที่จะได้ผลนอกจากพวกที่มีบุญเก่ามาแล้วเคยนั่งมาก่อนในชาติก่อนพอนั่งครั้งนี้ห้านาทีสิบนาทีจิตก็สงบได้ทันทีเพราะสติมีกำลังมากสามารถควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาพอนั่งพับให้อยู่กับพุทธโธก็อยู่แต่พุทธโธอย่างเดียว อย่างนี้ห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้านั่งแล้วก็คิดไปพุโทโธไปได้สองสามคำก็ไปคิดถึงคนค น, นั่นคนนี้เรื่องนั้นเย่างนี้นั่งไปกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้ผลเพราะไม่ได้นั่งสมาธินั่งคิดแล้วก็มาว่านั่งสมาธิแล้วไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่ได้นั่งสมาธิกำลังที่จะควบคุมความคิดยังไม่พอสติที่จะหยุดความคิดต่างๆยังไม่พอ ยังต้องมาฝึกสติมาสร้างสติกันก่อนคำถามต่อไปจากคุณนาวินค่ะ <c oughs> ถ้าภิกษุพยายามรักษาศีลแต่ยังผิดนิสักเียะบ้างปาจิตีบ้างจะเป็นเหตุให้ตกอบายไหมครับไม่ตกหรอกเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นขั้นประราชิกนี่มันจะไม่ไปอบายเพราะว่ามันเป็นก็ความผิดแบบเล็กๆน้อยๆเป็นแบบกฎระเบียบ ไม่ได้ถึงกับการทําบาปคํำถามต่อไปจากคุณมณีค่ะถ้าเราเป็นค า, ารวาสได้เห็นการฆ่าสัตว์แล้วคนที่ฆ่าเอามาทําอาหารให้เรากินเราจะผิดศีลไหมคะถ้าเราไม่ได้สั่งเขาไม่รือไม่ได้ทําเองไม่ผิดเราเรากินได้แต่ถ้าเราบอกเขาบอกว่าแม่คับอยากจะกินแกงไก่แล้วกันพอพ่อพูดอยากจะกินแกงไก่โยมก็เลยไปฆ่าไก่มาทำมาถวายอย่างเนี้ย แล้วก็บอกเนี่ยหนูอยากเห็นนล้หลวงพ่ออยากกินแกงไก่หนูเลยไปเอาไก่ที่บ้านมาฆ่าเนี่ยถ้ารู้อย่างงี้ก็รับไม่ได้กินไม่ได้แล้วอาจจะมีส่วนบาปด้วยเพราะไปพูดไปเหมือนกับไปบอกให้เขาไปฆ่าฆ่าสัตว์ขึ้นมาทําเองก็ดีสั่งให้เขาทาก็ดีก็ถือว่าบาปนะเนี่ยเรื่องเรื่องอะไรที่พูดนี้บางทีต้องระวังเราบางทีพูดแล้วเขาไปแปลความหมายว่าเหมือนกับเราสั่งเขา คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเนื่องจากเพิ่งได้เจอแม่แต่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันจะคุยผ่านทางไลน์นานๆเจอครั้งแต่ทุกวันนี้ถ้าแม่อยากได้สตังก็จะไลน์มาบอกให้โอนแต่ไม่มีเรื่องเงินก็จะเงียบหายรู้สึกเป็นทุกข์เจ้าค่ะทุกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีเรื่องเงินก็จะไม่ได้ติดต่อกันอะไรไม่ได้ลน์ม า, าโอเคว่าแม่ฮะ เราเพออยากจะได้เงินอย่างเดียวอก็อยากทุกข์เสียคิดว่าเราเป็น เ, เราเป็นหนี้แม่ก็แล้วกันทุกครั้งเวลาแม่เขาอยากจะมาทวงหนี้ก็คืนเข้าไปชดใช้บุญคุณทดแทนบุญคุณคำถามต่อไปจากคุณจริงคอดค่ะการดูจิตด้วยสติปัญญานั้นแยกจิตออกจากขันใช่ไหมครับก็ต้องสอนใจให้รู้ว่าจิต กับร่างกายเป็นคนเราคนกันเป็นคนเราสวนกันร่างกายไม่ใช่เราแตม่มันสอนได้แต่มันจิตมันจะดือ้อมันไม่ฟังเราพอร่างกายเป็นหน่อหน่อยจิตก็เดือดร้อนขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่า ม, ม, มันไม่ได้เห็นว่าร่างกายเป็นมันไม่ได้เป็นเราถ้ามันถ้าร่างกายเป็นอะไรแล้วมันเฉยใจไม่เดือดร้อนแต่ก็ไม่ได้เฉยแบบเฉยเมยนะหมายถึงว่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ทุกข์กับมันแต่ก็ดูแลมันไปเหมือนกับเราดูแลรถยนต์อย่างเงี้ยรถยนต์มันไม่มีน้ำมันเราก็ขับไปแต่มน้ำมันรถยนต์มันไปชนอะไรเข้าเราก็เอาไปซ่อมแต่เราไม่ไปทุกข์กับมันอย่างเี้เรียกว่าเรารู้ว่าเรากับรถยนต์เป็นคนละส่วนกันเราก็ควรจะดูร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เราอย่างต้องใช้มันเราก็ดูแลรักษามันให้ดี แต่เราจะไม่มีความรู้สึกวุ่นวายใจไปกับมันเวลามันเป็นอะไรนี่คือการสอนใจถ้าถ้าสอนได้แล้วเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราใจเราเฉยก็แสดงว่าเราแยกได้ด้วยปัญญา แต่ถ้าเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาใจก็วุ่นขึ้นมาทันทีไปหาหมอบอกว่าถ้าทางจะเป็นมะเร็งปั๊บนี่ยวุ่นขึ้นมาทันทียังไม่หมอยังไม่ได้สันตัดสินใจว่าเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวขอเอาเนื้อไปตรวจหน่อยตอนนั้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเปล่าถ้าเฉยเหมือนเหมือนการเหมือนตอนก่อนที่จะไปหาหมอพอหมอบอกจะเป็นมะเร็งก็เฉยเหมือนเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้ยินข่าว ถ่าอย่างนี้ถึงจะรู้ว่าเราเราเราสอนใจให้แยกใจออกจากร่างกายได้แต่ถ้าเราสอนมันแล้วพอไปเจอเหตุการณ์ที่มากระเทือนกระเทือนกับร่างกายแล้วใจเราวุ่นไปกับร่างกายก็แสดงว่าสอนไปก็ยังไม่เกิดประโยชน์สอนเพื่อให้ใจเราไม่วุ่นวายไปกับการเป็นไปของร่างกายคำถามต่อไปจากคุณสุบินค่ะ ลูกติดต้องใส่บาตรทุกเช้าต้องฟังธรรมะจิตคล้อยตามในธรรมก่อนนอนต้องฟังไม่งั้นนอนไม่หลับนอนฟังธรรมะจะบาปไหมเจ้าคะก็ไม่บาปหรอกมันก็ถือว่าเป็นยานอนหลับไปเท่านี้แต่ก็ไม่ได้บุญนะเพรนอนเพื่อฟังเพื่อให้หลับไม่ได้ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ การฟังธรรมจะได้บุญต้องเกิดสัญญาความรู้หรือเกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าฟังแล้วหลับก็แสดงว่าเป็นยานอนหลับไป่ก็ดีกว่าไม่ต้องเสียเงินไปซื้อยานอนหลับแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยเหมือนยานอนหลับค่ะคำถามต่อไปจากคุณดีใจคะ่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วจะหายไหมคะ ล็อกซึมเศร้านี้นั่งไม่ได้หรอกไม่มีสติสตังพอที่จะมาควบคุมจิตให้ให้หยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้ตนเองซึมเศร้าได้จิตมันจะหมกบุ่นอยู่กับเรื่องที่ทําให้ตนเองซึมเศร้าอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากจะไปนู่นอยากจะมานี่แต่ไม่ได้ทําไม่ได้มันก็เลยทําให้ซึมเศร้าขึ้นมาก่อนเร่องนี้จะเป็นเหมือนเด็กปัญญาอ่อนก็อาจจะต้องให้เขาฝึกสติก่อนลองให้เขาลองท่องพุทธ ลองสวดมนต์ไปก่อนดูสวดมนต์ได้ไหมออให้เขานั่งสวดมนต์ไปก่อนถ้าสวดมนต์ได้แล้วก็ค่อยให้เขาน อ, อ, องพุโทโธต่อไปได้ไหมออดูลมหายใจเข้าออกได้หรือเปล่าออก็ต้องค่อยฝึกไปออถ้าเ้าทำได้ก็รับรองได้ว่าก็สามารถที่จะรักษาความซึมเศร้าได้เพราะถ้ามีสติมา ก, มากขึ้นมันก็จะหยุดความคิดความอยากที่ทำให้ซึมเศร้าได้แล้วความอยาก ความซึมเศร้ามันพอความอยากลดน้อยลงความซึมเศร้ามันก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับนะทำได้แต่ไม่อยู่ที่ว่าเขาจะทำได้หรือไม่อยู่ที่ความซึมเศร้าของเขามากน้อยเพียงไรความสามารถที่เขาจะดึงสติขึ้นมานี่ได้มากน้อยเพียงไรคำถามจากคุณสบินค่ะครบครบวันครบรอบวันตายคุณแม่เราไปเลี้ยงอาหาร บ้านพักคนชราแล้วเราอุทิศบุญนี้ให้แม่จะได้ไหมเจ้าคะได้ได้เป็นบุญเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับว่าจะต้องเป็นพระอย่างเดียวอยู่ที่การเสียสละเงินทองเข้าของของเราไปมันเกิดบุญตรงนั้นไม่ได้เกิดอยู่ที่ผู้รับผู้รับเป็นใครก็ได้ไปปล่อยวัวปล่อยควายก็ได้ไปถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้ไปปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้ไปเลี้ยงสัตว์ก็ได้เนี่ยหมา บางทีมันก็ไม่มีคนเลี้ยงดูก็มีก็ไปช่วยเลี้ยงดูสัตว์กันได้ทั้งนั้นบุญเกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นผู้ที่รับไ ม, ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระเสมอไปแต่เรานิยมทำกับพระเพราะว่าเราจะได้สองเดง้งคือเราจะได้ทานุบำรุงพระพุทธศาสนาที่เป็นที่พึ่งของเราด้วยอันนี้เราจึงเลือกทาบุญกับวัดก่อน เพราะเราถือวัดเป็นเหมือนโรงเรียนเหมือนโรงพยาบาลของจิตใจที่เราจะต้องอาศัยเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าเราไปช่วยที่อื่นเราไม่ช่วยวัดต่อไปเราอาจจะไม่มีวัดมาช่วยเราก็ได้แต่การทำบุญนี้ทำกับใครก็ได้เหมือนกันคำถามต่อไป <c oughs> จากคุณนายเนคะ่ะ กับเบนถามว่าเวลาขับรถต้องการภาวนาไปด้วยควรใช้กรรมฐานอะไรจึงจะปลอดภัยต่อการขับขี่มากที่สุดครับก็ท่องคาถาว่าอย่าประมาทอย่าประมาทให้ดูรถดูถนนอย่าไปคิดอะไรอันนี้ก็เป็นการภาวนาอย่างคําถามต่อไปจากคุณปริมคะ่ะเราเคยพารุ่นพี่ไปกราบพระครูอาจารย์ของเรากลับมาแล้วเขาปรมาจรพระครูอาจารย์ เรามีส่วนในบาปนั้นด้วยไหมด้วยใช่ไหมเจ้าคะอ๋อไม่มีส่วนเ ร, เราพาเขาไปหาของดีแต่เขาไม่เห็นของดีมีคุณประโยชน์กับเขาเขาก็าพูดตำหนิเตียนหรือลบหลู่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะทำที่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แสนยากพวกเธอพึงกระทำโยคะกรรมให้รู้ว่านี่ทุกข์ เพย์ให้เกิดทุกข์ดับความดับแห่งทุกข์หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์อย่างนี้ทําอย่างไรคะก็ให้ศึกษาคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามาศึกษาเราก็จะได้ยินอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมังแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับทุกขสมุทัยนิโรธมังพอเราปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่ได้ เราก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้คำถามต่อไปจากค<ฮ>ุณช<ฮ>ัยนัทค่ะผมขอถามว่าคาว่าเวทนาในขันห้ากับเวทนาในสติปัฏฐานสี่เหมือนกันหรือเปล่าครับเหมือนกันเวทนาคือเวทนาที่เกิดผ่านทางนั่งกายเช่นเวลาได้ยินเสียง ที่เราไม่ชอบก็เกิดเวทนาขึ้นมาใช่ไหมเวลาใครดา่าเราเราสุขหรือทุกข์ทุกนั้นก็เรียกว่าเวทนาอย่างหนึง่งเวลาได้ยินเสียงชมสุขหรือทุกข์สุขอันนั้นก็สุขก็เวทนาอันนี้ก็เป็นเวทนาอันเดียวกับเวทนาในสติปัฏฐานสี่เป็นเวทนาในขันคําถามต่อไปจากคุณป๋มค่ะ หาก ญ, ญาติเราไปปล่อยปลาด้วยกันแต่มีสีหน้าไม่ชอบใจคเครียดไม่พูดจาแต่ก็ร่วมปล่อยและช่วยเงินด้วยเพราะเราซื้อปลาเหมาแผงหมดเลยคราวหน้าเราควรจะชวนเขาไปไหมคะก็ต้องถามเขาก่อนว่าเขาหน้าตามไม่สบายใจเพราะอะไรอาจจะไม่ใช่เรื่องปล่อยปลาก็ได้ก็อาจจะทุกข์กับแฟนเขาหรือทุกข์กับลูกเขาหรืออะไรก็ได้มันไม่เกี่ยวกั น, นการที่ชวนเขาไปทาบุญมันดีอยู่แล้ว แล้วถ้าเขาไม่ปฏิเสธเขายินดีไปก็ไม่มไ ม, ไม่ไม่น่าจะมีอะไรถ้าเขาไม่มาบน่นมาด่าเราที่หลังเธอไม่น่ามาชวนฉันไปเลยถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปชวนเขาแต่ถ้าเขาไม่ว่าอะไรก็าอาจจะทุกเรื่องอื่นก็ได้วันนั้นเขาไม่สบายใจแล้วเราก็ชวนเขาไปทําบุญแต่เขายินดีไปก็ก็ชวนได้ถ้าเขายินดีเพราะชวนให้เขาไปทําทําบุญไม่เสียหายเป็นประโยชน์กับเขา เขาอาจจะยังไม่เห็นอนิสง์ของบุญเพราะเขายังคิดคิดไม่ถึงถึงว่าการกระทาของเขานี้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างแตถถ่ถ้าเขาคิดได้ว่าถ้าเกิดเขาเป็นปลา ย, ยาจะถูกเข้าลงหม้ อ, อกแกงแล้วพอดีมีคนมาขอซื้อไปปล่อยในแม่น้ำลำทานเราจะรู้สึกว่าเราโชคดีนะวันนี้รอดพ้นจากความตาย ถ้าเขาคิดอย่างนี้ได้ก็าอาจจะมีความสุขขึ้นมา ท, าทันทีว่าโอ้วันนี้เราได้มาช่วยสัตว์แต่ต้องไปซื้อสัตว์ที่เขาจะถูกค่าจริงๆอย่าไปซื้อสัตว์ที่เขาเอามาเอามาขายที่หน้าวัดเพราะว่านี้มันไปจับมาเพื่อให้เรามาปล่อยอีกทีอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้เวียนเทียนกันนั่นนะโดย ซื้อปลาจากคนขายไปปล่อยพอคนขายขายปลาหมดก็ไปจับปลาให ม, ามา่ <laughs> มาขายใหม่ต้องไปซื้อปลาที่ก้าเจ้ามาขายตามตลาดที่คนจะอาไปฆ่าไปแกงอันนี้เราจะได้ไปถ่ายชีวิตเขาแล้วก็จะได้อไม่ไปส่งเสริมให้ให้คนมามีอาชีพเอไปจับปลามามาขายเพื่อให้เรามาปล่อยแต่ คนที่เขามีอาชีพซื้อปลามาขายเพราะยังมีคนอยากกินปลาอยู่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เป็นเป็นเรื่องของโลกแต่เราก็อาจจะช่วยสัตว์บางตัวได้อาจจะช่วยไม่ได้ทุกตัวอย่างนี้ก็ช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ก็ยังดีกว่าไม่ช่วยเลยคิดอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วเราก็จะมีความสุขคำถามต่อไปจากคุณภารณีค่ะเวลานั่งสมาธิมีความกลัวผีค่ะจะสามารถเอาชนะความกลัวนี้ได้อย่างไรบ้างคะ เวลาไม่นั่งมันก็กลัวอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ <laughs> ใช่เฉพาะเวลานั่งเป็นแต่ว่าเวลานั่งแล้วมันต้องไปนั่งที่เงียบๆมันก็เลยกลัวเพราะบรรยากาศที่เงียบเวลาที่เราอยู่คนเดียวนี่มันจะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่จะผลิตความกลัวขึ้นมาก็บอกเราว่าก็เวลาที่เราอยู่กันหลายคนทำไมมันไม่มีผีแล้วเวลาอยู่คนเดียวมัผีมันถึงจะมา ผีมันกลัวคนนี้แสดงว่ามันกลัวคนเลยแล้วไปกลัวมันทำไมใช่ไหมใช้เหตุผลดูทำไมเวลานี้เนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้ไม่มีผีมานักตัวเดี๋ยวเย็นนี้รอให้มานั่งคนเดียวเลยผีมาเราสร้างมันขึ้นมาเอง้นเวลาคือทำความเข้าใจว่าผีไม่มี ผีมีผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงก็แล้วกันผีหลอกก็คือผีที่เราคิดขึ้นมาในใจเราพอเราอยู่คนเดียวปั๊บคิดเลยโอ้ยเดี๋ยวผีมาแล้วเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่มาแล้ววิธีแก้ผีตัวนี้ก็คือรีบพุทธโธะสวดมนต์ไปพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจว่างอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องผีแล้วเดี๋ยวความคิดถึงเรื่องผีหายไปความกลัวผีก็หายไปเอง พราะผีตัวนี้เกิดจากความคิดของเราเราผลิตมันขึ้นมาผีจริงมันไม่มาเสียเวลามาหลอกเราหรอมันหลอกเรามันได้อะไรจากเราบ้างใช่ไหมผีจริงมันก็ดวงวิญญาณเขาก็ไปหาความสุขจากบุญกุศลที่เขาทาไว้ดีกว่าโดถ้าเขาไม่มีบุญกุศลเขาต้องการบุญเขาจะอาจจะมาขอส่วนบุญจากเราเท่านั้นเองงั้นเราก็เตรียมทําบุญไว้ก่อนไปนั่งสมาธิพอคิดว่าจะมีผีมาก็อุทิศบุญให้เขาไปเลย คำถามต่อไปจากคุณธรมนพัทคะ่ะหากเราป่วยเป็นอะไรประจำเราสามารถแผ่บุญให้เจ้ากรรมนายเวรอย่างไรเพื่อให้เขาได้รับดีที่สุดคะเพราะเราไม่ทราบว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราคือใครคะ่ะอ๋อถ้าไม่ทราบก็มันคงไม่เกี่ยวกันการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเกิดจากการเกิดได้มากกว่าใช่ไหมถ้าเกิดแล้วมีใครไม่เจ็บบ้างเจ็บด้วยกันทุกคน งั้นถ้าอยากจะแผ่ส่วนบุญก็ต้องไปแผ่้ตัวที่ทำให้เราเกิดนะบอกว่าให้มันตายไปให้หมดนะอย่าพาให้เรามาเกิดอีกนะถ้าเราไม่เกิดแล้วต่อไปเราก็จะไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไปแผ่ส่วนบุญด้วยการฆ่ากิเลสนะเพราะกิเลสนี่คือตัวที่ทำให้เรามาเกิดมาทุกข์กันกิเลสเราไม่ต้องไปแผ่ส่วนบุญเราต้องฆ่ามันฆ่ากิเลสไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่ต้องกลัว พรเจ้าสอนให้พวกเรามาฆ่ากิเลสกันมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการฆ่ากิเลสตัณหาเหมือนองคุลีมานี่ตามฆ่าคนเพื่อที่จะจะบรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าบอกถ้าอยากจะเป็นพระอรหันต์ต้องฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าคนฆ่าคนละบาปองค์ุลิมานเลยฉลาดเลยหายหลงหันมาฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสปั๊บก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ คำถามต่อไปจากคุณต้นกล้าค่ะเราควรเน้นการทำบุญที่ปริมาณบุญหรืออานิสงส์มากกว่ากันคะ เ, เน้นที่ที่ที่กำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไปตามกำลังของเราอย่าทำมากกว่าที่เรากำลังว่าเราทำไม่ได้แล้วจะทำให้เราต้องไปรบกวนคนอื่นทำตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไปเท่านั้นได้มากได้น้อยก็ ไม่เป็นไรเพราะมีบุญอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินทำกันไม่มีเงินก็ไปเป็นอาสาสมัครปองกัตึงก็ได้ไปเก็บศพไปเป็นอาสาสมัครกิจอาสาทำอะไรเสียสละทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยไม่เรียกค่าตอบแทนนี้ก็ได้หรือถ้าเรามีความรู้มีวิชาสอนเด็กที่เขาเรียนหนังสือเขาอยากจะกวดวิชาเรารู้คณิตศาสตร์รู้อะไรเราก็สอนเขาได้โดยไม่คิดเงินคิดทอง อันนี้ก็เป็นการทำบุญได้คือให้เราทำบุญตามกำลังตามความสามารถของเราอย่าไปทำบุญที่เราไม่มีกำลังที่จะทำแล้วไปรบกวนคนอื่นเขาคำถามต่อไปค่ะวิญญาณของพ่อที่เพิ่งเสียไปสามารถส่งจิตถึงลูกได้ไหมคะแล้วแต่ว่าเขามีพลังหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่มีพลังกัน พวกที่จะมีพลังนี้ต้องเป็นพวกที่นั่งสมาธิได้แล้วผู้รับก็ต้องมีพลังรับด้วยเหมือนมือถือใช่ไหมคนหนึ่งมีมือถือคนหนึ่งไม่มีมือถือก็ติดต่อกันไม่ได้มันต้องมีทั้งสองคนคนรับกับคนสง <c oughs> ่งเงี้นถ้าพ่อมีพลังจิตเรามีพลังจิตก็อาจจะรับติดต่อกันได้คำถามต่อไปค่ะ การเปลี่ยนเบอร์โทรตามดวงศาสตร์ตัวเลขสามารถทําให้ชีวิตคนดีขึ้นได้จริงหรือคะไม่จริงหรอกชีวิตดีขึ้นอยู่ที่บุญกรรมที่เราทำํทำทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะอย่าไปงมงานกับตัวเลขหม ด, ดแล้วล่ะก็ดีหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ